เพราะอะไรรู้ไหมที่จะทําให้มีความสุขขึ้นมาได้เพราะมันไม่โดนอุปทานเก่าเนี่ยมาครอบเอาไว้ทั้งๆ ท, ที่มันมีอยู่กับจิตใจเรานะแต่เพราะว่าเราพยายามตัดใจเนี่ยนะเอ้ยกูไม่เอากับบึงแล้วเว้ยตัดทิ้งไปไม่เอาไม่ยอมนะถ้าใจแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เห็นความสุขที่เราเนี่ยเลิกมาได้ ลดมาได้ว่าโอ้โหมันเป็นความสุขอย่างนี้นี่เองมันเป็นความเบาเป็นความสบายอย่างนี้นี่เองมันถึงจะเห็นได้แต่ถ้าใครเนี่ยปฏิบัติไปอย่างที่บอกตอนตอน้ตนๆปฏิบัติแล้วเนี่ยฝืนใจบอกโอ้ยเราจะต้องมาทำอย่างนี้ทำไมเราเคยกินอร่อยเราเคยทำอะไรก็ทำได้ตามใจเราที่อยากจะทำจะใส่เสื้อผ้ายังไงก็ได้นึกจะพูดยังไงก็ได้เออ จะโกหกตอแหลอะไรยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคราวนี้เอ๊ะทำอย่างงี้มันมาฝืนใจเราอยู่ได้นะงนี้มันก็ทุกข์มดิเนี่ยถ้าคิดอยู่อย่างเนี้อ่ะนะมาเซ็ตไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลับกันเลยนะอันนี้มันจะต้องแบบว่าชัดเจนเลยว่าเอ้ยทําอย่างนี้แล้วแหมมันจะมีความสุขเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วใจที่มันตัดได้อันเนี้ย มันจะทําใหไ้ไอความสุขแบบโลกโลกหรือความสุขแบบของเก่าอ่ะที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนเราเนี่ยมันก็จะยากหน่อยไม่อย่างงั้นคุณทําไปนะบอกแล้วไอความสุขแบ บ, กบเก่ามันจะมาหลอนคุณมันก็จะมาบอกเหตุผลคุณอย่างนั้นบอกเหตุผลคุณอย่างนี้ทําให้คุณชักเอปฏิบัติไปนี่มันมันไม่เห็นจะสุขเนี่ยมันทุกข์มากกว่าเอ็นไหม มันจะทอนพลังคุณลงไปเรื่อยๆวอนทุกบอกอันเนี้ยต้องพยายามเลยอย่าให้มันมาตามหลอกตามหลอนได้ต้องตัดใจกันจริงๆพยายามตัดใจแล้วก็คิดถึงของใหม่ที่เราทำอยู่ว่าเออรู้สึกยังไงบ้างพยายามตรวจอารมณ์ตรวจความรู้สึกเราว่าเออทาแล้วมันเป็นยังไงอย่าไปจมอยู่กับไ อ, อความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆหลายคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเพราะว่า จมอยู่กับความรู้สึกเก่ารู้สึกยังไงคิดยังไงก็ยังคนยึดไว้อยู่อย่างนั้นเมื่อยึดไว้อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอะไอความรู้สึกใหม่เ่ที่มันจะเข้าไปแทนที่เนี่ยมันแทนที่ไม่ได้เพราะของเก่าเนี่ยคุณเอาใส่ไว้เต็มจิตใจของคุณเนี่ยแล้วมันจะไปมีช่องว่างที่ไหนของใหม่เข้าไปได้อืม ว่านบอกว่าเนี่ยมันต้องตัดเลยมันต้องละกันจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยต้องเริ่มที่ความคิดเนี่ยต้องละให้ได้เพราะฉะนจะต้องยินดีในการที่ละยินดีในการที่เลิกยินดีในการที่แบบว่าเออฝืนใจอย่างนี้แหละดีไม่ใช่คิดแบบโลกโลกนะว่าหัวฝืนใจมันทุกข์ก็ดีเรื่องอะไรจะต้องมาฝืนใจแต่บอกคุณเลยถ้ามาถือศีลมาปฏิบัติธรรม มาเข้าสายพุทธแล้วคุณต้องยินดีในการฝืนใจตัวเองถ้าใครไม่มีความยินดีในการฝืนใจนี่นี่ น, นี่ภาษาที่อาจะมาใช้เดี๋ยวนี้แต่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอะไรถ้าสำนวนอย่างพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งอันนั้นเป็นภาษาอย่างพพุทธเจ้าท่านใช้นะแต่ว่า มาพูดง่ายๆไ ง, งให้พวกเราเข้าใจง่ายๆเนี่ยว่าคุณต้องมีความสุขกับการได้ฝืนใจตัวเองนะวันนี้โอ้โหวันนี้แหมกำลังว่าจะไปดูหนังดูละครสหน่อยเนเรื่องเอละครเรื่องนี้กำลังมาเลยบอกเอ้ยตัดใจนะพยายามฝืนใจมามามาฟังธรรมะดีกว่ามาให้ท่านนั่งด่าให้ฟังเ <laughs> นะมาท่านมาให้ท่าน ูกิเลสเราอะไรอย่างงี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนั่นก็ฝืนใจมานะแต่ในความฝืนใจนี่เนี่ยคุณรู้คุณเข้าใจว่าเออถ้าเราฝืนใจอย่างนี้ได้จะเป็นบุญกุศลของเราจะเป็นความสุขของเราในปัจจุบันแล้วก็ในต่อต่อไปด้วยอันเนี้ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะบอกแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้นะคุณฝืนใจทีไรคุณก็เป็นทุกทุกทีอ่ะคุณก็คิดแต่ทุก ไปตั้งตาบะหรือไปถือศีลอะไรเพิ่มขึ้นมาคุณก็ไปเพิ่มทำไมมันลำบากอะ่ะ <c oughs> ไปเพิ่มทำไมแค่เนี้ยดีอยู่แล้วอะ่ะกำลังสะเบยสะเบย <c oughs> แค่นี้โอ้โหเพราะนั้นคือเพิ่มไปอีกซวยสิเนี่ยมันมันจะเกิดจิตอย่างเงี้ยขึ้นมาวันถึงบอกอันนี้ต้องชัดเลยต้องมีความยินดีในการฝืนใจ ฝืนนี่หมายถึงว่าฝืนที่จะสู้กิเลสเรานะฝืนที่จะลดกิเลสเราอันนั้นข้อที่สนะเอาส่วนข้อที่สท่านบอกว่าเป็นผู้ยินดีในปะวิเวกปะวิเวกนี่ก็คือ อ, อะไรอ่ะทำกายทําใจเนี่ยให้มันนิ่งๆให้ได้นี่พูดภาษาง่ายๆทากายทําใจเนี่ยให้มันนิ่งๆให้ได้บ้างให้มัน อะไรอ่ะอย่าเต้นตามคลื่นอย่าตื่นตามลมเต้นตามคลื่นนะแหละเต้นตามคลื่นอารมณ์ของคนนั้นของคนนี้เอเขาโกรธมาเราก็ต้องโกรธตอบอเขารักมาเราก็ต้องรักตอบเนี่ยไปเต้นตามคลื่นอารมณ์ใครต่อใครเขาเรล อ, อไปตื่นตามลมกันเนี่ยแหละเหมือนกันทําไมอ่ะเราจะต้องแหมแปลปวน พลิ้วไปตามอารมณ์คนอื่นหรื อ, อยังไงอารมณ์เขาเสียมาอารมณ์เขาบูดมาเงี้ยมาบน่บนบ่นบนให้เราฟังดเดี๋ยวเถอเดี๋ยดียวเด <c oughs> อ่าเ <c oughs> นี่ยเราตื่นตามอารมณ์เขาหรื อ, อยังไงทําไมเขาอารมณ์เสียมาเขาบ่นมาเราก็พลอย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยฉันหงุดหงิดบ้างนะแกมาบน่บนบน่นบ้า ง, างเนี่ยไม่เห็นเราจะต้องเป็นไปตามเขาเลยนี่นเนี่ยเนคือเนี่ยจะต้องยินดีในความที่เรียกว่า เออทำจิตที่เรามันนิ่งได้ให้เราสงบได้แม้บางทีเป็นเรื่องกิเลสเราเองซึ่งเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้โอ้โหอารมณ์เราอ่อนไหวมากเลย<ๆ>เจอคนนี้โอ้โหคนนี้สเปคเราเลยถ้าเราเจอเนี่ยอารมณ์เราจะแปรปวนจะปันปน่นป่วนนะจะวุ่นวายหัวใจเหลืวเกินแต่พอเรารู้อันนี้แล้วเราเข้าใจนี้ว่า จะต้องเป็นผู้ยินดีในป่าวิเวกก็คือทาให้มันนิ่งให้ได้ทาให้สงบให้ได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจอันนี้นะคุณจะปล่อยอารมณ์ไปตามนั้นเลยโอ้โหคนนี้สวยดีเว้ยแหม่นะอะไรอะ่ะหน้าพูดคุยด้วยแหน่หน้าไปทําความสนิทสนมใกล้ชิดเนี่ยคุณจะปล่อยอารมณ์ไปตามถ้ามันเป็นกามนะมันเป็น ในทางราคามันจะปล่อยอารมณ์ไปตามนี้มันไม่อยากทำจิตให้นิ่งหรอกคุณพไม่ใช่พอเห็นปั๊บเฉยเฉยเห็นปั๊บเฉยเฉยโอ้อันนี้หมายถึงว่าเราเจอคนที่บตรงสเปกกันนะมันมีเหรอที่จะพอเห็นปั๊บรีบบอกว่าเฉยไว้เฉยไว้เฉยไว้อย่าตูมตามไปใจเราอย่าตูมตามไปไม่หรอกเขาบอกแล้วเรายังมีกิเลสอยู่ พอมีกิเลสอยู่เนี่ยมันมักจะปล่อยอารมณ์หรือปล่อยใจไปตามเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็อืมันไส่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะปล่อยอารมณ์ไปตามถือสาเกียรติชั่งอะไรเงี้ยปล่อยไปตามนั้นมีเหรอพอคุณเจอคนที่ไม่ชอบแล้วคุณก็จะรีบเฉยไว้เฉยไว้เฉยไว้สงบไวปสงบไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆส่วนใหญ่เ่ยมันมันจะเผลอใช่ไหม มันจะปล่อยไปตามอารมณ์นั่นถึงบอกว่าอันเนี้ยจะต้องมีความยินดีพอใจที่จะทำจิตเราให้สงบสงบไว้ให้มันนิ่งนิ่งเอาไว้ทั้งกายก็ตามทั้งใจก็ตามจะพยายามเลยแล้วเรารู้ด้วยว่านี่แหละเป็นความสุขถ้าใครคิดแบบโลกโลกนะโอ้โหได้ไปพูดคุยด้วยสิถึงจะเป็นความสุขน่าหนาเป็นความคิดแบบมิจฉาทิฐิแบบโลกโลก แต่ถ้าจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดที่รู้สัจธรรมจริงแล้วจะรู้เลยว่าเอ้ยแม้ว่าเนี่ยเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยแต่เรารูล้ละไปพบไปเห็นสิ่งที่น่ารักชวนให้รักชวนให้เราชอบใจอย่างเงี้ยเราไปเห็นแล้วเราไปฟุง้งเราไปปรุงตามนี่เอ้ยอย่างนี้ที่จริงมันทุกข์ไม่ใช่ความสุขนี่ถ้าเราทําให้มันเฉยได้ทำให้มันนิ่งได้ไม่จิตกระเพื่อมได้ ต่างหากเรานี่เป็นความสุขแล้วถ้าทำได้ก็จะสัมผัสได้จริงๆด้วยเออมันสุขกว่าจริงๆเหมือนกับนะถ้าใครเนี่ยเจอบทเรียนนี้จะรู้ได้เลยถ้าเราเนี่ยสมมติบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือว่ารู้จักกันเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็แค่เป็นเพื่อนแค่รู้จักปรากฏว่าถ้าเจอเจอกันได้พูดคุยกัน ตอนรู้สึกเป็นเพื่อนเนี่ยนะรู้สึกเออมันสบายใจดีนะทําอะไรหรือจะพูดคุยหรือจะแย่อ้อเล่นกับบ้างอะไรบ้างรู้สึกเบาสบายไม่รู้สึกว่าแม้ต้องไปห่วงหาอะไรอวอรอะไรกันมากแต่พอเริ่มนะเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนกันนะสมมุติอ่านะโอโหคราวนี้ทั้งหึงหวงทั้งอะไรอะ่ะห้ามคุยกับคน อ, อื่นนะ ห้ามองคนอื่นนะหรือว่าไปหัวเราอะไรกับใครไม่ได้นะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหมันทำไมเป็นอาการอย่างนี้ลหละไอ้แต่ก่อนเนี่ยเราจิตเรานิ่งๆสงบสงบได้รู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนรู้จักกันแค่นั้นนี่เ อ, อ้ยใจเรามันก็สบายนะไม่ต้องวุ่นวายหัวใจอะไรเลยแต่ปรากฏว่าพอแหมเริ่มเป็นเจ้าขอเจ้าของเริ่มเป็นแฟนเริ่มเป็นคนรัก หรือเป็นอะไรที่เราหวงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคราวนี้ความรู้สึกนี่มันโอ้โหบีบคัน้นเยอะแยะเลยหลายอย่างเลยจะเห็นได้เลยว่าไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มันนิ่งได้มันสงบได้มันเป็นความสุขมากกว่าจริงๆอัตมาทุกบอกใครเนี่ยที่มีสภาวะพวกนี้มาคุณจะเห็นความเป็นจริงโดยสัจจะ ร, รือว่าโอ้โหมันสบายกว่าจริงๆ มันโปมันสบายไม่ใช่ว่าเขาทุกลอดมาแล้วเราไม่ช่วยเหลือนะเราก็ช่วยเหลือนะแต่มันช่วยเหลือแบบคนที่เรียกว่าแม้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิ่ตกกังวลอะไรมากอะ่ะแต่ถ้าคุณไปจะเข้าเจ้าของแล้วคุณแบบนี่เป็นแฟนนี่เป็นสามีนี่เป็นภรรยานี่เป็นลูกหลานอะไรที่คุณยึดเป็นเจ้าเข้าเจาของนะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันทุกมันทรมานมันห่วงมากกับกันอีกหลายร้อยเท่าเลยวันอันเนี้ย ผู้เจ้าท่านถึงได้ตัดว่าให้ยินดีในการที่พยายามทำจิตให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ต้องเรื่องคนก็ได้ บ, บางทีเรื่องของเนี่ยของบางอย่างเนี่ยคุณไปเจอเจอนะคุณยังรู้สึกเลยว่าไม่ชอบเลยให้ของแบบเนี่ยอืไม่ชอบเลยอะไรเอาไอ้รูปนี้อู้ใครวาดอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยะเเนะไม่ชอ บ, นะ ไ, ชอบไอ้ของนี้แล้วก็พรอยไม่ชอบคนวาดไปด้วยเออ นะหรือเสื้อผ้าเราเนี่ยง่ายๆเสื้อผ้าเราเนี่ยบางตัวเนี่ยเราไม่ชอบเลยไม่อยากใส่ไม่อยากมีต่อให้แจกฟรีด้วยก็ไม่อยากได้เนี่ยรัฐภาวะจิตแบบเนี้ยมันมันสุกที่ไหนมันไม่สุกเลยนะแต่คราวนี้คุณดูนะถ้าคุณเป็นคนที่วางใจได้แล้วอ่าคุณหัดหัดไม่ต้องฟุ้งไม่ต้องไปปุุงไม่ต้องไป คิดอะไรมันมากมายให้มันทุกข์ให้มันกุ้มอะไรไอเสื้อตัวที่คุณเคยไม่ชอบเนี่ยคุณมาใส่แต่กูจะรู้สึกเออมันก็ธรรมดาเนี่มันก็เฉยๆอ่ะมันก็กันร้อนกันหนาวอะไรไม่เห็นจะต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับมันเลยเพราะเราก็จะใส่ได้หรือเหมือนกับพวกเราเนี่ยในที่เนี้ยหลายๆคนนะบางทีแต่ก่อนโหต้องผมทรงนั้น ต้องผมทรงนี้นะต้องไว้ผมยาวต้องอะไรนะสะเซ็ตต้องใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่พอต่อหลังเราเรางดเราเว้นพวกนี้ได้ใช่ไหมโดยที่จิตเรายินดีพอใจเราสึกว่าเออเราไม่ต้องไปปรุงเราไม่ต้องไปฟุ้งเหมือนแต่ก่อนโอ้โหสบายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอันเนี้ยถ้าคุณเข้าใจว่าความสงบความสงัดนี้นะเป็นยอดเยี่ยมเนี่ยคุณจะยินดี ในการที่หัวใจเราเป็นอิสระไม่ต้องไปเป็นเจ้าของหัวใจใครแล้วก็ไม่ต้องโดนใครมาเป็นเจ้าของหัวใจเราไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครไม่ต้องไปเป็นเจ้านี่แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นลูกหนี้ใครโอ้ใจสบายมากเลยพู้เจ้าท่านเคยใช้ว่าความวิเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นพูทเจ้าท่านใช้คำนี้ พราะความเป็นเพื่อนที่มันแบบว่าโอ้โหสุดวิเศษแล้วใจเนี่ยเบาสบายที่สุดนั่นก็คือความวิเวกนี่เองเนี่ยความที่มันได้ทําใจให้มันสงบสงัดได้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของของตัวคนนั้นเองความสงบสงัดเนี่ยแหละสงัดจากกิเลสนะไม่ใช่สงบสงัดก็นอนเลยออย่างนั้นมันไม่ใช่แต่อันนี้หมายถึงว่าเรารู้ละโอ้โหเดี๋ยวจะฟุ้งเรื่องนั้นเดี๋ยวจะฟุ้งเรื่องนี้ เออจิตมันนิ่งๆได้จิตมันไม่ไปปรุงอะไรมากอุย้ยมันสบายกว่าเยอะเลยพ่อท่านเคยบอกว่าคนที่ทําอุเบกขาเนี่ยแบบขนาดแบบของสายลือศีแบบอุเบกขาแบบที่เขาไปเรียกว่านั่งทําสมาธิอ่ะแล้วก็เขาหยุดเลยนะหยุดการปรุงหยุดการคิดอะไรๆทั้งสิ้นเลยไม่ปรุงไม่คิดอะไรเลยเข้าอุเบกขาแบบลือี เขายังสบายเลยล่ะคุณหรือพ่อท่านบอกว่านี่เนี่ยเนยเนิพพานลำลองเลยนะแต่นิพพานแบบฤาษีนะไม่ใช่นิพพานแบบพุทธเนี่ยเนยถือว่าเป็นนิพพานลำลองเลยนะเพราะมันจะเบามันจะสบายเลยวันพวกสายที่ไปนั่งทําสมาธิที่เขาเรียกกันนะภาษาที่เขาเรียกกันเนะ่ยไปนั่งขัดสมาดหลับตาปี้ไม่คิดอะไรเลยนะโอ้โหเขาสบายจริงจริงคุณ สบายแบบฤาษีเนี่ยสบายจริงๆโห oh. จิตที่มันไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยนะหรือใช้คำว่าจิตว่างนั่นเองถ้าอย่างฤาษีเนาะอันนี้ว่างแบบฤาษีไม่ใช่ว่างแบบพุทธนะถ้าจิตว่างแบบพุทธนี่จะอีกอย่างหนึ่งเพราะจิตว่างแบบพุทธนี่คือว่างจากกิเลสแต่ยังปรุงยังคิดอยู่ถ้าว่างแบบพุทธแต่ถ้าว่างแบบฤาษีนี่คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยดีก็ไม่ปรุง ชั่วก็ไม่ปรุงเท่งนั้นนะเอาเรียกว่าเฉยจริงๆเลยให้นิ่งจริงๆเลยเพราะฉะนั้นสภาวะนั้นะ่ะโอ้โหคุณรู้เปล่าสบายมากๆเลยสุขอย่างชนิดที่เรียกว่าวิเศษเลยทีเดียวแม้ว่านั่นน่ขนาดได้แบบแค่รือสีนะเขายังสบายขนาดนั้นถ้าเป็นของพุทธเนี่ยสบายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะไม่เพียงแต่ว่าจิตนิ่งแล้วก็เบาสบายแล้ว ยังมีประโยชน์ยังมีคุณค่าที่เรียกว่าโอ้โ oh หช่วยคนอื่นได้อีกด้วยนี่คือความต่างกันนะตรงนี้พยายามพูดเพราะว่าไม่อย่างงั้นบางคนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องส ม, มถะไว้บ้างไม่สนใจเรื่องสมถะไว้บ้างไม่ไม่สนใจเจโตส ม, มถะบ้างเพราะว่าไม่รู้เิก็มานั่งแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนั่งแล้วบางทีก็ยิงฟุ้งซ่านบางคนนะนะหรือบางคนนั่งแล้วก็หลับ หลับนี่ไม่ใช่บอกแล้วนะหลับไม่ใช่สงบระงับแล้วไม่ใช่นะคนละเรื่องนะเพราะว่าการนั่งเจโตสมาานแล้วจิตมันนิ่งจิตมันว่างเนี่ยต้องไม่หลับต้องมีสติตื่นอยู่นะแต่มันไม่ปรุงมันไม่ฟุ้งไม่คิดอะไรเลยหัวมันจะโล่งจะโปร่งหมดเลยคุณทำได้ละเมื่ อ, อไหร่แล้วคุณจะรู้เองว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ทำไมชาวบ้านชาวช่องถึงได้ติดกันนักถึงได้อยากมานั่งทําอย่างนี้กันนักนี่แหละติดสุขอันนี้แหละสุขแบบฤาษีอันนี้แหละเขาถึงทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองเยอะแยะกันไปหมดจนกระทั่งเลยเพี้ยนไปเลยความสุขแบบพุทธเลยแทบจะไม่รู้จักเลยเขาสัมผัสไม่เจอความสุขแบบพุทธนะเอาด้านเป็นข้อที่สี่ใช่ไหมเอาข้อที่ห้า นาสงสายต้องเล่งแล้วขานี้ข้อที่หเป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาทเป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาทอันนี้อัตมาพูดใหม่พูดตามสานวนอัตมาเองว่าพูดง่ายเป็นผู้ยินดีที่จะมีใจเมตตานะพูดใหม่เพื่อที่จะให้มันมันเข้าใจง่ายง่ายหน่อยคุณก็เข้าใจอยู่แหละ ว, ว่าว่า ไม่พยาบาทเพราะว่าพยาบาทมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแหละนะแต่พูดให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นว่าถ้าคนที่มีใจเมตตากับคนอื่นเนี่ยจิตที่หวังดีปรารถนาดีกับคนอื่นจิตมันเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับคนอื่นเนี่ยเนี่ยเป็นบุญและจิตอย่างนี้แหละนะที่ทำให้คนมีความสุขคนที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นคนที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่น นะเป็นจิตที่อกุศลเนี่ยจิตอย่างนั้นมีความสุขเล้อแต่ถ้าคโคโยกโลกก็อาจจะบอกว่ามีความสุขนะแต่ถ้าโดยทางธรรมะเนี่ยอย่างนั้นเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขจะตรงกันข้ามเลยจะแตกต่างกันแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยจะต่างกันลิบลับเพราะอันนี้เราจะต้องชัดเจนตรงนี้เพราะฉนคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยากมีความสุขมากในการปฏิบัติธรรม ควรจะต้องยินดีที่จะมีหัวจิตหัวใจเป็นคนที่เมตตาคนอื่นคุณจำตรงนี้ไว้ฮวนใครที่มาปฏิบัติทำเสร็จมองข้างซ้ายก็ถือสามองข้างขวาก็ริดสยา <c oughs> คุณจะเหลืออะไรในชีวิต <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกว่ามีแต่ทุกข์เพียงอย่างเดียวเท่านะฮวนคนที่จะมีความสุขนี่นะ ถึงบอกแล้วปฏิบัติธรรมก็ต้องขืนใจก็ต้องลำบากใช่ไหมอย่างที่บอกมาต้นๆแต่คุณยังเป็นคนที่มีความสุขได้คุณมีใจที่เมตตาคนอื่นได้และไอาการที่เรามีใจเมตตาคนอื่นเนี่ยความเป็นจริงก็คือเรากำลังทำใจเราเนี่ยให้เมตตาตัวเราเองเพราะการคิดลิษยาการคิดถือสาใครมันเป็นทุกข์อ่ะเพราะงั้นการที่เราคิดเมตตาคนอื่นได้ใจเราจึงเป็นสุขถูกมล่ะ คนนี้กำลังเมตตาตัวเองคนใครที่คิดเมตตาคนอื่นได้เนี่ยคนนั้นกำลังเมตตาตัวเองด้วยนะเพราะว่ากาลังทาใจให้เป็นกุศลได้อยู่ตลอดอยู่เสมออ่ะประเด็นนี้คิดว่าพวกเราไปคิดต่อกันได้มันไม่ไม่ยุ่งยากอะไรอาจเสริมหน่อยก็แล้วกันเพราะมันมีตัวอย่างมาบางคนก็บอกว่าท่านก็พูดอย่างนี้แหละว่า ก็มองคนอื่นในแง่บวกนะแล้วก็เมตตาเขาก็เขาดูสิเนี่ยเจอแล้วเขาก็เล่นงานเราเราจะไปให้เมตตาเขาไงเ <c oughs> ออแล้วเขาก็คิดไม่ออกจริงๆเขาก็บอกเราจะให้ทํำยังไงจะให้เมตตาเขาลงยังไงเนี่ยมาเมตตาไม่ลงเลยลก็เจอทีไรเขาก็เล่นงานเราทุกทีแล้วจะให้เมตตายังไงคือจะให้คิดมุมดีกับเขาจะยังไงอ่ะก็เจอทีไรเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเลย ก็เขายังไม่เปลี่ยนแล้วจะให้เราเปลี่ยนได้ยังไงถูกไหมเนี่ยที่อาจามาพูดเนี่ยฮะไม่ถูกเอ <c oughs> ้เวลาพูดก็อย่างเงี้ยนะว่าไม่ถูกแต่พอเราเจอจริงๆเข้าอ่ะถูกแล้ว <c oughs> พอเวลาเจอผัสสะเข้าจริงๆอะ่ะอืมใช่จริงๆแล้วมันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เขาแกล้งเราต่อให้เขาเล่นงานเราอยู่เนี่ย แต่ถ้าเราเนี่ยมีใจเมตตาอยู่จริงเนี่ยเรายังเป็นสุขอยู่นะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขามาเล่นงานเราแต่ที่เราทุกข์เพราะใจเราพระเยซูอขอขอไปไกลหน่อยนะขอไปถึงาศาสนาคริสต์เลยคือนึกตัวอย่างนี้ได้ก็จะยกตัวอย่างนี้แหละพระเยซูยอมโดนตึงไม้กันเข็นท่านไม่ได้ทําความผิดอะไรเด้อแล้วทำไมท่านยอมได้ แล้วท่านก็ให้อภัยด้วยท่านก็ไม่รู้สึกจะไปโกรธเกลียดชังคนที่มาทุยง่ายมาฆ่าท่านเลยมหาตมะคานธีเนี่ยโดนคนผู้ร้ายยิงเสียชีวิตเนี่ยก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็บอกว่าเออเราให้อภัยคนที่ยิงเราแล้วท่านก็ไม่โกรธท่านก็ไม่เกลียดชังจริงๆอย่างเนี้ใจท่านเป็นทุกข์ไหมมันใจท่านไม่จะเป็นทุกข์นะแล้วเพียงจะไม่เป็นทุกข์นะใจท่านมีความเมตตา คนที่เล่นงานท่านด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นทุก์ไม่ได้อยู่ที่คนยิงทุกไม่ได้อยู่ที่คนฆ่าเราทุกไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่คนแกล้งเราแต่ทุก์อยู่ที่ใจเราเพราะนั้นถ้าใจของคนไหนเนี่ยมันเมตตาให้มากๆมันเมตตาให้บ่อยๆจนกระทั่งเราเป็นคนมีเมตตาเก่งเพราะนพอเราไปเจอเนี่ยเจอโดนแกล้งเจอโดนอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณก็ยังมีใจที่เมตตาได้ คุณมีความสุขคุณไม่ทุกข์เลยต่อให้โดนจับขังคุกด้วยเอาคุณก็จะมีความสุขอ่าไม่ทุกข์หรอนะเพราะฉะนั้นแล้วก็แบบว่าอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วก็เออจริงๆด้วยมันอยู่ที่ใจเราข้อสุดท้ายข้อที่หกนะเป็นผู้ยินดีทมที่ไม่เนินช้าเป็นผู้ยินดีในความไม่เนินช้าพูดง่าย เพราะโดยปกติบอกแล้วคนเราเนี่ยพอทำดีหรือว่าทำได้ดีอะไรมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเสวยสุขเสวยสุขอะไรอะยาวนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่รูเ้เป็นพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข4ี่สิบเก้าวันนะในในที่เจ็ดแห่งท่านก็เสวยตั้ง4ี่สิบ้าวันแต่พอพ้นสี่สิบเก้าวัน นะเอาแล้วคราวนี้คิดแล้วเอจะไปสั่งสอนใครดีเนะจะไปโปรยใครดีเพราะฉ่ายังเก่งนะอาจจะมาบอกพวกคุณถ้าเรายกพระพุทธเจ้าวไว้เนี่ยนะพุทธเจ้ายังเสบยพิพุทธสุข ก, ก็สี่สิบเก้าวันเลยพวกคุณเนี่ยบางคนบอกว่าถือศีลห้าได้แล้วทำได้ดีแล้วเลยสี่สิบเก้าวันยังมันน่าจะเลื่อนไปเป็นศีลแปดหรือ ย, อยังเออ หรือ จ, จากศีแปมันน่าจะเลื่อนขึ้นไปเป็นศีสิบไปเป็นอะไรหรื อ, อยังพ่อบอกแล้วว่ามันจะติดอยู่นะพอมันทําได้ความสุขได้ความสบายปฏิบัติธรรมมาขั้นหนึ่งแล้วสบายจริงๆด้วยอันนี้ก็ที่พูดไปตั้งแต่ต้นมาจนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความสบายในชีวิตจริงๆแต่มันก็จะมาติดทําให้เนิ่นช้าทําให้เราชักช้าอะไรที่เป็นตัวทําให้เราดึงช้า อะไรก็ความสุขนั่นแหละที่เป็นตัวดึงเราให้ช้าอาตมาเคยพูดไว้สองอย่างหนึ่งก็คือความสุขสองกลัวความลำบาก <c oughs> คือจะเลื่อนฐานขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะลำบาก <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปฝืนใจไปอะไรอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้สบายแล้วเพราะฉะนั้นเอาเอาเอาเอ า, เอ า, เอาแค่นี้ไว้ก่อนเพราะมันเนี่ยมันจะเสพอยู่ตรงเนี้ยนาน เขถึงบอกว่าเหมือนกับเทวดาหรือเหมือนกับนางฟ้าบนสวรรค์เนี่ยเนี่ยจะไปเสพสุขบนสวรรค์วิมานไปอยู่วิมานพร้อมจะช้านานระวังค่ะจะตกวิมานตกสวรรค์เพราะช้านานเกินไปเนี่ยในที่สุดเดินนะพยายามดึงเอาไว้นะต่อให้เป็นเทวดาด้วยพยายาม ด, ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้อย่าให้ตกอย่าให้ตกอย่าให้ตกแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ย นะมันจะเสื่อมพราะบอกแล้วว่าอะไรอะไรในโลกนี้ที่สุดแล้วในที่สุดมันจะเสื่อมถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานนะมันก็จะเสื่อมเป็นเทวดาเนี่ยในสุดก็จะเสื่อมมันก็จะค่อยๆหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงหย่อนจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะถ้าปล่อยให้เกินขีดนี้แล้วตกสวรรค์เลยเพราะฉะนนั้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนตัวเองแล้วหรืออย่างยายน้อยฐานโสดาบันเนี่ย ถ้าชัดเจนตัวเองแล้วพอถึงขีดนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ยอมไม่ได้ล้วจะต้องรีบขวนขวายนะถ้าพูดภาษาง่ายๆคุณไม่อยากให้เนินช้าเนี่ยคุณจะต้องขวนขวายหรือว่าจะต้องแบบว่าเอาแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบต้องรีบเพิ่มฐานตัวเองแล้วเพราะถ้าขืนปล่อยต่อไปรู้แล้วว่าเราจะร่วงลงไปเลยและอันนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยคนอื่นไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่ตัวเองจะรู้ว่าเอ้อชักจะเสพสบายจนหย่อนยานแล้วจนชัก ปล่อยเกินนี้ไปนี่นะเราจะแย่แล้วแล้วใจเนี่ยมันจะไม่ยอมเลยถ้าเป็นคนที่เที่ยงในการปฏิบัติธรรมที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ยอมเด็ดขาดหัวเด็ดตีนด้วนยังไงก็ <c oughs> นะ <c oughs> ก็ไม่ยอมเด็ดขาดจะต้องแบบว่าไม่ได้แล้วต้องทำขึ้นไปแล้วทำจริงๆแล้วพอทำขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นจนจนเกินที่เคยทาได้ มันจะสูงขึ้นเกินขึ้นไปแล้วก็จะไปทําได้ของใหม่มาอีกได้ของใหม่แล้วก็สุขสบายอีกแล้วก็จะไปติดเนบอยู่อีกทําให้ชักช้าอีกนั่นแหละแล้วก็จนกระทั่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะหล่นอีกล้จะหล่นอีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยไม่ได้แล้วขึ้นปล่อยเนี่ยจะหล่นลงไปต่ำกว่านี้แนะก็จะเข่งคัดกับตัวเองจะอะไรอะเร่งรีบใหญ่เลยจำ้ำเอาเอาเอาเอา เ, อาเพื่อที่จะต้องขึ้นไปอีก วันตัวสุดท้ายเนี่ยธรรมะที่ไม่เนินชาเนี่ยก็คือลงมือทันทีพอคิดดีอะไรแล้วโอ้อันนี้นี่ต้องลงมือทําทันทีอันนี้ท่านอาจารย์ก็เอามาพูดบ่อยอัตมาก็เอามาพูดบ่อยอยู่ให้พวกเราได้ฟังพ่อท่านก็เคยมาพูดให้พวกเราฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนี่ยแหละสมณะสิกขาบาอะไรก็มาพูดให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าถ้า ถ้าทำความดีช้าเกินไปใจมันจะกลับไปยินดีในความชั่วนะเนี่ ย, ยมันจะมันจะหล่นลงไปวันถึงบอกว่าต้องลงมือทำทันทีนะหรือเนี่ยอย่าให้เนิ่นช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะดีขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วเราเองแล้วก็โอโ้สบายมามากพอแล้วนี่เนี่ยนะลงมือทำทันทีเลย ต้องเพิ่มฐานต้องเพิ่มศีลหรือต้องเพิ่มตะบะของเราเข้าไปละเพื่อที่ให้เราเนี่ยขยับสูงขึ้นถ้าใครทำหกประการนี้พระเจาท่านบอกว่าเนี่ยยินดีในหกหกข้อนี้นะคนนั้นจะมากด้วยความสุขในการถือศีลในการปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกได้แน่นอนพ้นทุกจนถึงขั้นหมดกิเลสเลยก็ได้นะด้วย6ประการราชนี้ อ้าววันนี้คงฝากไว้ที่นี้นะ